วันพาที่แล้วไปได้แสดงถึงเรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นของกรรมฐานมอนก็มาเปรียบเหมือนกับเบื้องต้นของการเรียนหนังสือเอาแต่ตัวหนังสือกับเรียกว่าคละและกระาปรปัญญานะผสมกันสองอย่างตล่นั้นะ แจกไปได้ทั่วทุกแห่งทุกหนแจกไปได้มดคำพูดภาษาทุกอย่างระกับพระเยซ า, าเท่านั้นเราปฏิบัติก็ชั้นใดมีกายกับใจแล้วสามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลที่ผ่านได้สูงสุด เรามีกายกับใจ น, นี่เป็นพื้องต้ น, ตนเรียกว่าต้นต่อของกรรมฐานปฏิบัติอย่างน้อยเบื้องต้นคือกายว่าใจสุจริตเบื้องต้นไปซะก่อนแล้วต่ อ, อก็ไปมีศีลมีสมาธิบีดพรวนานมีมรรคผลมีผ่านมีฌานสมาธิสมาบาัติ อันนั้นเรียกว่าสระกับปัญช น, นะผสมกันแล้วต้องอ่านได้ได้ภาษาคำพูดทุกสิ่งทุกาการออกจากนี้ทั้งนั้ น, นอ่นี้แจกแจกราคานี้แจกอักะคะกกะระปัญชนะเข้ากันนแจกก็เป็นตัวตัวเอาไป แจกไปทำคำออกไปแจกในที่นี้หมายความถึงกายวาจาใ จ, ใจนะ่ะเอาหน้ามาแจกก็ดีแจกตัวกอใช่ก่อนตัวกอเป็นตัวต้นตัว่าเกศา ผมทั้งหลายในหัวของเราทั้งศีรษะของเราท่านมาปากท่านพันน า, นาไว้แปดเข้าโกดแปดล้านเซนแต่ว่าจะถึงไม่ถึงก็ไม่ทราบผมที่มาอยู่บนศีรษะของเราแจกคือยังไงคือให้พิจารณาหลายอย่างหลายเรื่อง จะแล่จะแจกออกไปโดยอาชุพฮะก็ได้เพื่อเห็นของปฏิกูลพิจณาผมไม่และอ้างเหนืบนศีศาก็จริงเหละใครๆเห็นก็ต้องดูศีศาก่อนสูงอันที่สูงอะ่ะเขาดูก่อนมด แต่หากมีความสากปบกอยู่ในตัวผมมีสีดำทั้งฐานส่วยทั้งสองขางตรงกลางปงตรงกลางันมันเป็นส่วยสองทั้งหัวทั้งท้าย เกิดจากกุโพโลหิตคือเกิดจากน้ำเนา่าน้ำหนองที่รากโหมนั้นต้อถอนมาดูก็ได้มีน้ำมีน้าเน่าอยู่ในนั่นแหละมันถอนออกมีน้ำเนา่นนเน า, นนน า, นนาติดมานั้นมันยังไม่เกิดขึ้นมางั้นเขาบอกว่า เรื่องลือกันว่าพระอะไรหลวงพ่อแล้วก็ไม่ตับลืนมาหละ่ะตายแล้วผมงอกออกมาได้จะไปอาจรรพ์จันทอะไรมันมีน้ําเล้าน้านหนองก็งอ ก, อ, อกไปได้สิไม่ว่าที่หลวงพ่อนั่นแหละไม่ว่าแต่งผงนั้นเราตายลงเหมือกันนั่นแหละงอกได้เหมือนกันมันมีเรียกว่าเกิดจาก อสุภะท่านอก็ออกมาแล้วคาะนี่ถ้าจะพิจารณาเฟ้ของอ น, นิจจังแล้วค่ะนี้เป็นอนสุภะแล้วนั้ น, นพิจารณาเป็นนิจจั ง, งอกออกมาโดยลำดับยาวไปนานๆนะเขานก็ตัดทิ้งออกไปเรียกวับของไม่เที่ยม พิจารณาเป็นโดยอนาตา่าผมงอกจากศีรษะมาแล้วเรียกว่าตายแล้วไม่รู้สึก เ, เช่นผมที่มันงอกมาไม่รู้สึกเลยอันนั้นเรียกว่าตายแล้วพิจารณาโดยทุกขังคือมันเกิดอยู่ในนั้นและงอกขึ้นมาในนั้น มันอยู่ในที่นั้นเนี่ยทนทุกข์ทรมานทของการอยู่ในที่นั้นห้อยงอกออกมาแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นแหละไอไหก็ไม่ได้อยู่ที่เก่าคนนีน้ทนเนี่ยทนได้โดยยากเท่านั้นอันนี้ยเรียพิจารณาโดยทุกมีทบหมด อันนี้แจ้งทุกผังหน้าตาผมเช่นเดียวน่ะมีครบทั้งสามอย่างถ้าไกลรักอยู่ในนั้นเลยมันแจบผมคนก็เหมือนกันมีลักษณะอาการเช่นนั้นเหมือนกันเล็บที่งอกออกมาปลายมือปลายเท้าของเราอันที่มันงอกออกมา นั่นเรียกว่าทนทุกข์ทรมานอยู่เหมือนกันมันงอกออกมาแล้วก็ตัดทิ้งงอกออกมาแล้วก็ตัดทิ้งมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ ร, รู้แล้รู้เล่าเป็นชั่วทีอันนั้นเนี่ยทนทุกข์เงนที่ออกมาแล้วนั้นงอกพ้นจากเนื้อนหนังไป เป็นของไม่มีวิญญาณตายไปเหมือนกันไม่รู้สึกตัวนั่นก็เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงนามนตาเนี่ยเลยตัดทิ้งวัดเวลาตัดเอามีด ต, ตะเล็บมาตัดทิ้งตกไปเลยในที่ ด, ดินเป็นดินเป็นน้าไปนั่นเรียกว่าอนัตตา นี่ทั้งคบคนเล็บมีอย่างนี้มีอาการอย่างนี้แหละฟันก็เหมือนกันฟันนั้นงอกออกมาจากกามแต่ไม่ไจะติดกระดูกเวยหรอออกมาทีแรกออกมากำเนอนกันกันอะไรยังไปซุกอยู่นั่นนะ่ะ คอยแก่กาค่อยแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็เลยเป็นควันแล้วต่อมีหนังมีต้องขึ้ทุ่มอยู่ประสาทานั่นเนื่องไปถึงหมดในกามกามนเนในกามอ น, นั้นเนี้ทนทุกข์เวลาเจ็บเวลาปวดทุกข์มากนั่น้เรียกว่าทนทุกข์ แล้วก็งอกออกมาเกิดที่หลังคนเราคนเราเกิดจะเป็นคนแล้วจะค่อยฟันนั่นค่อยงอกออกแล้วก็รุดร่วงไปอันนั้นก็เป็นอ น, นิจจังถาอันรุดร่วงออกไปทิ้งออกไปนั้นเป็นอนัตตาอันนี้ไง เหมือนกันกับเจสารามาอาการทั้งหมดในตัวของเรามีลักษณะเหมือนกันเงินในการทุกหน้าตาเหมือนกันหมดพิจารณาทีพิจารณาให้ละเอียดจึงจะเห็นได้พิจารณาเฉพาะนี่แหละไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลในตัวของเรา มีครบหมดแล้วอันนี้จังทุกของราตาย ม, มิพบมดในที่นั้นธรรมะทั้งปวงมดมีในตัวของเราแล้วเป็พูดในเบืองต้นว่าแ mm hmm. จกตั้งแต่โกตุกอไปเราสรประสมมือแล้วก็อ่านได้เลยเกสารวมานะขาท่านตาได้สู พยัญชนะมีสามที่สองตัวพรอมก็มีในวรัณวะของเราสามที่สองอาการพยัญชนะมีแปดนี่ I e u, a i u e o a k a k n อันเยอะัปล่ะตัวของเราทั้งหมดเป็นพระธรรมจุภอมบริบูมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราไม่เห็นพระธรรมอันนั้นเรากลายไปเสียไปที่น้าอื่นคุณไปหลงกับเล็บไปหลงกับฟันนั่นความตายแล้วนะ่ะเล็บ ก, ก็ดีฟันก็ดีความตายมันอยู่ในนะั้นแหละเล็บค่ะมันยาวเกินหนีเนื้อหนังมาแล้วมันก็ตายแล้วนะ่ะ ยังชอบใจเอาทาเล็บทาปาก้ะไรต่างเอาความตายมาอวดกันเอาความตายลมาอวดมาโอ้กันคนเห็นเล็บแดงๆเน็นเร็บเข า, าขาวเหลืองๆเลยสำคัญคว่าของดีของสวยสดงดงามแท้ที่จริงคือความตาย ในร่างกายของเราทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือหรอกทุกวันที่เราหาอาหารมาหล่อเลี้ยงแล้วก็เปิบเข้าไปในปากนี่แหละแล้วก็เชี้ยวไปจนกระทั่งมันแตกแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องในลำคอ มันก็ทราบทรานไปตามภาษาทั้งหลายมีเส้นผมขนเลยเป็นต้นตลอดมดท้าบทราบใหมดเราไม่ต้องแต่งต้องปรุงให้มันไปแต่มันไปเองของมันอันนั้นก็เป็นอนัตตาเป็นสภาพหนึ่งของมัน ที่เรานิ้วหวยเราหามาใส่มาเปิดเข้าในฝานี้อันนั้นก็เป็นทุกขังทนท <im> <pieces> ุกข์ทรมานตั้งแต่เกิดทั้งวันตายอายุตั้งสี่สิบห้าที่หกสิบเจ็สิปีแปดสิบปีอะไรต่างๆแต่เอาของมาเทลงในนี้มากมายเหลือเกิน เป็นปลาเป็นปูเป็ดไก่สารพัดทุกอย่างมัวควายมาเทงใ น, นมดแต่คขามาเทงไปในที่นี้นหะมันก็ซึมซาบออกมาทั้งร่างกายแล้วก็มาเดบออกามันซึมออกมามันเล็กซึมออกมาแล้วก็เหม็นเน่าเหม็นโขงพิทูณโสโครหากจะมีคนพูดว่า ตัวของเราเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องตัวของเราไก่จะถูกไหม่ะถูกร้อยเปเซ็นตลยีหมูก็ถูกกุ้งก็ถูกปลาก็ถูกหอยก็ถูกงวงไปก็ถูก เ, เพราะตัวของเราเนี่ยต้องอาศัยของมันนี่เขา อ, อาศัยมันนี้แหละทางนั้นแหะ หล่อเลี้ยงตั้งแต่เด็กคนนี้กระทั่งจนโตจนเผาจนฝานี่นะอาศัยของพวกนันทั้งนั้นตัวของเราไม่มีอะไรหรอกแต่เด็กๆ เ, เกิดมาที่แรกนันนิดเดียวเอาของวนี้มาหลอเลี้ยงคขาเติบโตขึ้นโดยลำรับนั้นของนิดเดียวมันถายไปไหนไปสัก ถ้าเราเลี้ยมันเติบตมันร้อนจะของวันนี้ทั้งนั้นเนะ่ยคนเราพูดโกงโกงไม่ชอบพูดหลีกเลี่ยงค่อยชอบพูดโกงโกงหาว่าดูถูกดูมินมันก็ถูกก็ี่รู้ถูกมันจะไปจะไม่ถูกตานี่รู้ถูกจันนี่งใจนี่รู้ถูกจันนี่มันถูกมาได้เพราะดูถูก เขาเห็นนะเขายังคยพูดมันไม่ผิดอะไรมันจะผิดอะไร